ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนข้อ2เชื่ออย่างไรผิดหลักกรรมมีลัทธิมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับสุขทุกข์และความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์อยู่3ามลทัทธิซึ่งต้องระวังไม่ให้เข้าใจสับสนกับหลักกรรมคือลัทธิมิจฉาทิฏฐิที่หนึ่งปุปเพกะตะเหตุวาทะหรือปุปเพกะตะเหตุวาฏ การถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะกรรมเก่าภาษาอังกฤษว่า past action determinism เรียกสั้นๆว่าปุบเพกตะวาดลัทธิมิจฉาทิฏฐิที่สองอิสระนิมมานะเหตุวาทะหรืออิสระนิมมานะเหตุวาทการถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ภาษาอังกฤษว่า theistic ด e เทอร i มิ erm เรียกสั้นๆว่าอิสวนกรณะวาธะหรืออิส่วนนิรมิตวาธะลัทธิมิจฉาทิฏฐิที่สาอเหตุอปัจจะยวาธะหรืออเหตุอปัจจะยวาดการถือว่าสุขทุกทั้งปวงเป็นไปสุดแต่โชคชะตาลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยภาษาอังกฤษว่า indeterminism หรือ a c c i d e เ t a l i s รเรียกสั้นๆว่าอเหตุวาสทั้งนี้ตามพุทธพจน์ในติถสูตรอังคุตตรนิกายติกนิบาตว่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายลัทธิเดียรถีสมระบบเหล่านี้ถูกบัณฑิตไต่าถามซักไซไล่เลียงเข้าย่อมอ้างการถือสืบสืบกันมายืนกรานอยู่ในหลักอากิริยาหลักการไม่กระทําคือหนึ่ง สมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อนลัตติมิจฉาทิฏฐินี้เรียกว่าปุเพกตะเหตุ 2. สมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดีทุกก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุ ก, ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าลัทธิมิจฉาทิตฐินี้เรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุ 3. สมสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุ ก, ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนหาเหตุหาปัจจัยไม่ได้ลัทธิมิจฉาทิฏฐินี้เรียกว่าอาเหตุตุอปัจจยะภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์สามพวกนั้นเราเข้าไปหาพวกที่หนึ่งคือพวกปุเพกะตะวาทะแล้วถามว่าทราบว่าท่านทั้งหลายมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้จริงหรือ ถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วรับว่าจริงเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จักต้องเป็นผู้ทาปานาติบาตเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเป็นเหตุจะต้องเป็นผู้ทาอตินนาทานเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเป็นเหตุจะต้องเป็นผู้ประพฤติอภพรมจันท์เป็นผู้กล่าวมุสาวาตจะต้องเป็นผู้กล่าวคาส่อเสียดจะต้องเป็นผู้กล่าวคำหยาบ จะต้องเป็นผู้กล่าวคำเพ้สเจอร์จะต้องเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาจะต้องเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเป็นเหตุนะสิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นสาระชันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มี เมื่อไม่กำหนดถือเอาสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำโดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณพราหม์พวกนี้ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติไรเครื่องรักษาจะมีสมณวาทะที่ชอบรมเฉพาะตนไม่ได้นี้แลเป็นนิหะคือการขม่มการกำราบอันชอบทำอย่างแรกของเราต่อสมณพราหม์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหม์เหล่านั้น เราเข้าไปหาพวกที่สองคือพวกอิสวนเนรมิตรวาฏะกล่าวกับเขาว่าท่านจักเป็นผู้ทำปานาติบาตก็เพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุจักเป็นผู้ทำอธินนาทานประพฤติอพิรมจันกล่าวมุสาวาตจะต้องเป็นผู้กล่าวคำส่อเสียดจะต้องเป็นผู้กล่าวคำหยาบจะต้องเป็นผู้กล่าวคำเพ้อเจอ้อจะต้องเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาจะต้องเป็นผู้มีจิตพยาบาท เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิก็เพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุนะสิพิสุท์ทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระชันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรท ำ, รทำก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่กำหนดถือเอาสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำโดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณพราหม์พวกนี้ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติ ไรเครื่องรักษาจะมีสมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนไม่ได้นี้แหลเป็นนิกะหะคือการขม่มการกำราบอันชอบธรรมอย่างที่สองของเราต่อสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราเข้าไปหาพวกที่สามคือพวกอเหตุวาทะกล่าวกับเขาว่าท่านจักเป็นผู้ทําปานาติบา โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจกเป็นผู้ทำอทินนาทานประพฤติอภปมจันต์กล่าวมุสาวาดจะต้องเป็นผู้กล่าวคาส่อเสียดจะต้องเป็นผู้กล่าวคาหยาบจะต้องเป็นผู้กล่าวคาเพอ้อเจอ้อจะต้องเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาจะต้องเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะสิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระ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 ต่อสมณพ ร, ราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้โดยเฉพาะลัทธิที่หนึ่งคือปุเพกะตะวาทะนั้นเป็นลัทธิของนิครณดังพุทธพจน์ในเทวทหสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันาธาต์มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สักยานิคมอันมีนามว่าเทวทหะในสักกชนบทสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่บุคคลได้เสวยทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทำไว้ในปางก่อนโดยนัยยะดังนี้เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตะบะไม่ทำกรรมใหม่ก็จะไม่มีผลบังคับต่อไป เพราะไม่มีผลบังคับต่อไปก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็จะโสมสาหมดไปเองภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีวาทะอย่างนี้นอกจากนี้พุทธพจน์ในสีวัคสูตรสังยุตตนิกายสลาญตนาวัตที่เคยยกมาอ้างข้างต้นซึ่งย้ำความอันเดียวกัน ก็มีว่าดูกระสิวกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีดีเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มีเกิดจากการบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทําร้ายก็มีเกิดจากผลกรรมก็มีสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเรากล่าวว่าเป็นความผิดพลาดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเองพุทธพจน์เหล่านี้ป้องกันความเห็นที่แล่นไปไกลเกินไปหรือเลยเถิดจนมองเห็นความหมายของกรรมแต่ในแง่กรรมเก่ากลายเป็นคนนั่งนอนรอคอยผลกรรมเก่าสุดแต่จะมันดาลให้เป็นไปไม่คิดแก้ไขปรับปรุงตนเอง กลายเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงตามไนายะพุทธพจน์ที่กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นจะเห็นได้ชัดด้วยว่าในพุทธพจน์นี้พระพุทธเจ้าทรงถือความเพียรพยายามเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรมและคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดพุทธพจน์เหล่านี้มิได้ปฏิเสธกรรมเก่าเพราะกรรมเก่าก็ย่อมมีส่วนอยู่ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยและย่อมมีผลต่อปัจจุบัน สมกับชื่อที่ว่าเป็นเหตุปัจจัยด้วยเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองไม่ใช่อำนาจนอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะไปยึดไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไว้ให้ผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทรู้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยดีแล้วย่อมไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดินขึ้นตึกสามชั้นถึงชั้นที่สมแล้วก็แน่นอนว่าการขึ้นมาถึงที่นั่นของเขา ต้องอาศัยการกระทําคือการเดินที่ผ่านมาแล้วนั้นจะปฏิเสธไม่ได้และเมื่อขึ้นมาถึงที่นั่นแล้วการที่เขาจะเหยียดมือไปแตะพื้นดินข้างล่างตึกหรือจะนั่งรถเก๋งวิ่งไปมาบนตึกสามชั้นเล็กๆ เ, เหมือนอย่างบนถนนหลวงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้และข้อนี้ก็เป็นเพราะการที่เขาขึ้นมาบนตึกเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้หรือเมื่อเขาขึ้นมาแล้วจะเมื่อยหมดแรงเดินต่อขึ้นหรือลงไม่ไหว นั่นก็ต้องเกี่ยวกับการที่ได้เดินขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้จะเห็นว่าการมาถึงที่นั่นก็ดีการทำอะไรอะไรได้ในวิสัยของที่นั่นก็ดีการที่อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรในที่นั้นอีกในฐานะที่ขึ้นมาอยู่กับเขาณที่นั้นด้วยก็ดีย่อมสืบเนื่องมาจากกรรมเก่าคือการที่ได้เดินมานั้นด้วยแน่นอนแต่การที่เขาจะทาอะไรบ้างทาสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องที่นั่นแค่ไหนเพียงไร ตลอดจนว่าจะพักสิก่อนแล้วเดินต่อหรือเดินกลับลงสียจากตึกนั้นย่อมเป็นเรื่องที่เขาจะคิดตกลงทำเอาใหม่ทำได้และได้ผลตามเรื่องที่ทำนั้นๆแม้ว่าการเดินมาเดิมยังอาจมีส่วนให้ผลต่อเขาอยู่เช่นแรงเขาอาจจะน้อยไปทำอะไรใหม่ได้ไม่เต็มที่เพราะเมื่อยเสียแล้วดังนี้เป็นต้นถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอีกที่ว่าจะยอมแพ้แก่ความเมื่อยหรือว่าจะคิดแก้ไขอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยทั้งนั้นโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาจึงควรเข้าใจเรื่องกรรมเก่าเพียงเท่าที่มันเป็นตามกระบวนการของมันในทางจริยธรรมผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทย่อมถือเอาประโยชน์จากกรรมเก่าได้ในแง่เป็นบทเรียนเป็นความหนักแน่นในเหตุผลเป็นความเข้าใจตนเองและสถานการณ์เป็นความรู้พื้นฐานปัจจุบันของตน เพื่อประกอบการวางแผนทํากรรมปัจจุบันได้หาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อผลดีในอนาคตต่อไป